ประตูเมืองพรรณสียังไม่เปิดแสงคบเพลิงที่ส่องสว่างทำให้เห็นหมู่เกวียนและคนเดินทางซึ่งไปคอยกันอยู่คับคั่งดาวประจํารุง่งส่องแสงสุกนวลอยู่ในทางทิศบุรพาในประตูสองคนเืนรักษาหน้าที่อย่างเคร่งครึมมีใหญ่ที่ใครจะพูดจาส่งเสียงอึดอึงกันในบริเวณ น, นั้นบนเชิงเทิน

มีทหารยามกลุ่มใหญ่บ้างเดินบ้างนั่งมองดูจากพื้นดินจะเลยเห็นกองไฟเล็กๆซึ่งคงจะก่อไว้ด้วยความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับทหารเหล่านั้นผู้ที่มาคอยอยู่นอกจากเป็นพวกพ่อค้าและนักจาริกเพื่อบุญซึ่งเที่ยวนมัสการบุญญสถานกับทั้งนักบวชแห่งาศาสนานิ่กายต่างๆเป็นต้นว่าดิรชีนิครน

ปริพาชกแล้วยังมีสตรีอีกไม่น้อยที่มาเพื่อส่งสามีบ้างบุตรบ้างซึ่งกำลังจะเดินทางจากไปพอแสงเงินแสงทองรำไรนักขอบฟ้านายทหารยามบนเชิงเทินก็ร้องบอกให้อานตจสัญญาณด้วยเสียงอันดังในประตูทั้งสองถอดดานเปิดประตูออกไปคนละข้างผู้ที่ยืนคอยอยู่ก็รีบเดินดุมออก

พ่อคว้าเกวียนก็เคลื่อนขบวนเกวียนออกไปดูเหมือนต่างจะรีบไปให้ไกลที่สุดก่อนที่ความแรงร้อนของดวงอาทิตย์จะกราดลงมาเต็มที่ในมูสตรีซึ่งห่มผ้าคลุมศีสษะพากันมาส่งสามีหรือญาติพี่น้องของตนนั้นบางนางมีใจอ่อนก็ซบหน้านลงกับฝ่ามือเสออื่นให้ขบวนเกวียนอันยาวเหยียดค่อยเคลื่อนผ่านไป

กว่าเกวียนคันสุดท้ายจะผ่านพ้นประตูเมืองก็สว่างและเห็นลายมือได้ถนัดจากกาศีสู่มคตจากมคตสู่วัชีจากวัชีสู่โกศลจากโกศลสู่วังสะแล้วกลับมากาศีคำสั้นๆนี้เป็นที่หมายรู้กันได้ดี

ถึระยะทางซึ่งจะผ่านไปของพวกชาวขับเกวียนหมู่ญาติซึ่งอยู่ในพารณสีต้องการทราบความเป็นไปของคนเหล่านี้เมื่อได้ทราบข่าวจากพ่อค้าเกวียนหรือคนเดินทางหมู่อื่นก็จะคอยลำดับการเดินทางว่าบัตรนี้จากแคว้นนั้นแล้วถึงแคว้นนั้นแล้วใกล้เวลาที่จะเดินทางกลับหรื อ, อยังสินค้าสําคัญของเมืองพารณสี

อันเป็นราชธานีของแคว้นกาสีนั้นคือผ้าต่างชนิดที่ทออย่างดีมีเนื้อละเอียดเป็นที่นิยมทั่วไปในหมู่กษัตริย์พ ร, รามและกระ บ, บดีชั้นสูงแห่งแคว้นทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีเครื่องหอมเช่นจุนจันและน้ำอบขบวนเกวียนซึ่งจัดระเบียบไว้ดีแล้วบรรทุกสินค้าผ้าและเครื่องหอมไปเป็นจำนวนมากโค

ซึ่งได้รับการปลนปลือเป็นอย่างดีก่อนหน้าออกเดินทางย่างเช้าพาเกวียนไปด้วยท่าทางบึกบึนแต่ละตัวที่นำมาใช้ได้เลือกล้วนล่ำสันและมีลักษณะอันเป็นมงคลในเกวียนคันหน้ามีชายสูงอายุนั่งเคียงไปกับบุตรหนุ่มของเขาพร้อมกับพร่ำชี้แจงเพื่อถ่ายทอดความชำนิ ช, ชำนาญในการเดินทางในการครองชีพเป็นต้นใจบุตรผู้เป็นที่รัก

ท่านผู้นี้ชาวขับเกวียนทั้งหลายรู้จักกันดีในฐานะเป็นสัตถาวาหะนายกองเกวียนผู้มีหุ้นส่วนกับเศรษฐีเจ้าของเกวียนและสินค้าเป็นผู้ควบคุมสิทธิขาดทั้งในการเดินทางและในการค้าขายไม่มีใครรู้ความเป็นมาแต่ปังหลังว่าทานันยะผู้รับผิดชอบในการคุมขบวนเกวียนนี้มีแหล่งกําเนิดในแคว้นกาสีหรือแคว้นไร

จะรู้กันก็แต่เพียงว่าทนิยะเป็นนายกองเกวียนที่รักษาคำพูดมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยมีความฉลาดรอบคอบและกล้าหาญที่สุดชาวขับเกวียนทั้งหลายอุ่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยเมื่อเดินทางไปกับทนิยะในการพักแรมระหว่างทางในการนำเกวียนข้ามลำน้ำที่เกวียนพึงข้ามได้เฉพาะบางตำบลทนิยะมีความรอบคอบ

ยังขบวนเกุียนให้ผ่านแหล่งสำคัญหน้าอันตรายต่างๆไปได้โดยสวัสดีตลอดมาอีกไม่กี่วันจะพ้นแควนกาศีเข้าสู่แขวนมะคตพักแรมหน้าหมู่บ้าน

วังคันตะคือหนึ่งแล้วรุ่งขึ้นพ่อจะพาเจ้าเข้าชมกรุงราชครื้เมื่อได้ผ่านไปทั่วเมืองแล้วจะได้เปรียบเทียบเมืองหลวงแคว้นต่างๆกับเมืองพราณาศีของเราว่าต่างกันอย่างไรข้าแต่ท่านบิดาเที่ยงวันนี้เราจะพักเวียนที่ไหนกันชายหนุ่มผู้มีชื่อเดียวกับแควนสุรเสนกล่าวถามร่มไม้มะม่วงไกลลิบลข้างโนนปฐวีประเทศตันบล น, นั้น

น่าพักมากทีเดียวท่านบิดาตอบครันถึงมัชชันติกะสมัยตะวันตรงสีษะอันเป็นเวลาร้อนจัดขบวนเกวียนก็มาถึงป่าไม้มะม่วงพอดีดังที่ทนิยะกล่าวกระบุตรเมื่อให้สัญญาณแจกเกวียนคันหลังๆแล้วทนิยะก็หยุดพักเกวียนชิดทางด้านขวาสั่งให้บุตรปลดโคออกจากเกวียนพร้อมกับนาไม้ค้าเกวียนมาค้าไว้แทนโค

แล้วก็ให้นำโคไปผูกไว้นกโคนต้นมะม่วงหนุ่มไว้ระยะพอให้ห่างพอเที่ยวไปเล่มหญ้าในที่ใกล้เขียงได้แล้วให้ถือภาชนะน้ำลงสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาตักน้ำมาให้โคขบวนเกวียนทั้งนั้นก็หยุดพักถัดๆกันแลดูยาวเหยียดไปตามทางด้วยประการชนีอันว่าหนทางผ่านสถานที่นี้เป็นทางเรียบลาน้ำคงคาพื้นเรียบเป็นดินปนทราย

ทางขวามีป่าไม้มะม่วงร่มรื่นน่าเจเรือนตาถัดไปทางซ้ายมือไม่ไกลนักเป็นฝั่งน้ําอันค่อยลาดลงไปจนจดพื้นนาซึ่งมีกระแสไหลหลังไปสู่ทิศปราจีนโพ้นต่อจากป่ามะม่วงไปเป็นแห่งๆจะไลยเห็นบ้านพราหม์อันใหญ่โตมีรั้วล้อมแน่นหนามีหนทางจากประตูบ้านเหล่านั้นตัดผ่านทางเกวียนลงสู่ลําน้ำาํำคงคามีที่อาบน้ํา

อันได้ทำไว้เป็นขั้นลงไปดังได้สดับมาพ ร, รามผู้เป็นใหญ่มีชื่อเสียงซึ่งครองเขตขามนิคมต่างๆเมื่อถึงฤ ด, ดูร้อนก็พากันเดินทางมาพักผ่อนณบ้านอันได้จัดสร้างไว้ถัดป่ามะม่วงใกล้ทางเลียบลำน้ำคงคาแขวนกาสีเพื่อสัตย์ยมน

ในเวลากลางวันและลงอาบน้ำดำกล้าวในเวลาย็นพร้อมด้วยมานพทั้งหลายผู้เป็นอันเตวาศิของตนตามอุปเทศในเวทางคศาสตร์ชั้นเดียวกันกับการที่พรามผู้ใหญ่แห่งแคว้นโกสนมีตาลุขพรามโปคระสาติกรพรามจังกีพรามเป็นต้นผู้พักผ่อนในฤดูร้อนณตํนบุญมนสากตะริมฝั่งแม่น้อาอจิรวัต

เพื่อสาธยายมนเป็นอาทิฉชนั้นชายหนุม่มร่างกายกำยำสามคนผูกสอดดาบสะพายธนูข้ามมา้าลัดมาจากที่แห่งหนึ่งเมื่อลงมาจากหลังมา้าเข้ามาทำคาระวะทันทนิยะนายกองเกวียน

ลกล่าวถ้อยคำเพียงสั้นๆว่าภัยไม่ปรากฏแล้วก็ขึ้นมา้าลัดเลี้ยวหายเข้าไปข้างหน้าเสียงเป่าเขาดังเป็นสัญญาณให้เครื่อนขบวนเกวียนต่อไปชาวเกวียนทั้งหลายก็นำโขเข้าเทียมเตรียมเพื่อจะเดินทางมีชายอีกสองคนผูกสอดอาวุธแบบเดียวกันกับชายหนุ่มที่หลีกเลี่ยงไปเมื่อสักครู่ขับม้ามาจากท้ายขบวนเกวียนเข้ามาทาความเคารพธนยะ

แล้วแจ้งว่าในขบวนเกวียนนี้มีผู้อาศัยตามมาเกคนคนหนึ่งเป็นหมอทางอาถรรพ์สามคนเป็นช่างแก้วมณีอีก5้าคนเป็นช่างตีเหล็กเาวมคตไม่มีท่าทางน่าสงสัยแต่ท่านติมพรุก็ได้คอยสังเกตอยู่ทนายพยักหน้ารับรู้แล้วก็เตือนโคออกเดินชายสองคนควบมา้าย้อนกลับไปทางขบวนท้าย

สุรเสนาถามทานยะขึ้นว่าข้าแต่ท่านบิดาหมออาถานนั้นเป็นอย่างไรคือหมอที่เชื่อในอำนาจลึกลับเชื่อว่าอาจบรรลุสิ่งที่ประสงค์บางอย่างได้ด้วยเวทมนต์แต่ข้อที่พ่อจะสอนเจ้าก็คือเรื่องที่เจ้าอาจได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจลึกลับหรือเวทมนต์ซึ่งเป็นของแลไม่เห็นเจ้าอาจมีคนรักคนพอใจทั่วไป

ด้วยการวางตนให้เหมาะสมรู้จักกล่าววาจาไพเราะรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เอื้อเฟื้อเ ผ, ผือแผ่แก่มนุษย์และสัตว์จะอาจอยูโยงอาวุธและยาพิษทั้งหลายด้วยการไม่ยินดีในการทะเละวิวาทในการพูดขัดหรือแข่งดีมีเมตตากรุณาต่อคนทั้งหลายมีสติอย่างรู้เหตุการณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็จะไม่มีศัตรูและเมื่อไม่มีศัตรูคิดร้ายอาวุธ

และยาพิษก็จะกั้นไกลเจ้าไม่ได้นอกจากนั้นถ้าเจ้าต้องการทรัพย์เจ้าก็อาจหาได้ด้วยความพยายามประกอบอาชีพสุจริตและรู้จักรักษารู้จักใช้ใจ่ายทรัพย์ที่หามาได้นั้นโดยประหยัดดูก่อนสุรสนณด้วยประการอย่างนี้เจ้าก็จะมีชื่อว่ามีความดีอยู่ที่ตัวเองมีสิ่งปรารถนาอันอาจทาให้เกิดได้ด้วยตนเอง

ไม่ต้องไปพึ่งพาอำนาจลึกลับภายนอกทั้งหลายไม่ต้องแขวนเครื่องอาถรรพ์ทั้งป่วงไว้ที่กายในคืนวันที่สามจำเดิมแต่การเดินทางมาขบวนเกวียนได้พักในทางระหว่างดงทึบมีทางพอเกวียนไปได้เรียนทีละคัน

แต่ตรงที่พักเกวียนเป็นที่กว้างอันพวกพ่อค้าได้ตัดต้นไม้ทำไว้เพื่อสะดวกในระหว่างทางทนิยะได้สั่งจัดขบวนเกวียนเป็นพิเศษให้เกวียนที่บรรทุกสินค้าจอดอยู่กลางกองเกวียนธนูล้อมป้องกันอยู่โดยรอบในขณะที่สุมไฟนั่งสนทนาอยู่พลมามาสองคนก็เข้ามากระซิบบอกข้อความบางอย่างแก่ธนิยะเมื่อคนทั้งสองกลับออกไป

ธนิยะก็เรียกประชุมชาวเกวียนสั่งให้เตรียมตัวกับทั้งได้เรียกติมพุมาสั่งความลับอย่างใดอย่างหนึง่งช่องทางที่โจรจะเข้ามาได้มีทางเดียวคือด้านหน้าที่จะออกไปสู่ทางเกวียนธนิยะสั่งให้นำไม้มาปาักเป็นหลักห่างกันพอสมควรแล้วนำไม้อื่นมาผูกขวางขันชนะอย่างแน่นหนาสูงจากพื้นดินสอกหนึ่งบ้างสองสอกบ้าง

ลดหลั่นกันเป็นตอนนอกตอนในและให้ทำพรางตาไว้เมื่อให้สังเกตเห็นได้ว่ามีเครื่องยีดขวางอยู่ครานแล้วได้สั่งดับไฟที่เป็นเปลวของให้เหลือพอสลัวสลวคืนวันนั้นเป็นราตรีที่สานับแต่วันปาตบดแห่งเดือนจิตรมาพอกลื่อนปฐมยามแห่งราตรีดวงจันทร์ก็โคจรขึ้นพ้นขอบฟ้าและต่อมาไม่นานนัก

ก็ส่องแสงผ่านช่องต้นไม้จริงไม้มาต้องหมู่เกวียนซึ่งจอดขนาดอยู่ในที่ว่างแห่งดงใหญ่และเห็นช่องทางที่ตัดมาจากทางเกวียนพอรางรางธนิยะแต่งตัวรัดกลุ่มสมเกราะนั่งคอยอยู่บนเกวียนคันหน้าซึ่งมีไม้ค้ำเกวียนรองอยู่แทนโคแต่ผู้เดียวสั่งให้สุรเสนะหลบเข้าไปเตรียมตัวอยู่ลำดับนั้นชาวแม่นธนูทั้งหลาย

ก็ประจำอยู่บนเกวียนทนูที่รายรอบป้องกันเกวียนสินค้ามีแต่ลำแผนบังไว้ไม่ให้ผู้คนมาจากภายนอกแลเห็นได้ถนัดส่วนคนนุมชะกันเหล่าอื่นก็ผูกสอดอาวุธซุ่มอยู่อย่างเป็นระเบียบภายใต้เกวียนและในระหว่างแห่งต้นไม้ปฐุมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรปรากฏสุรเสนซึ่งอยู่ภายในเกวียนมีความราคาญใจกับทั้งตื่นเต้นระขนกัน

ในอันตรายอันจะปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าในที่สุดจึงขออนุญาตท่านบิดาลงไปซุ่มอยู่ใต้เกวียนโดยอ้างว่าจะต่อสู้ให้ถนัดคําสั่งที่ทนิยะให้แก่าชาวเกวียนทั้งหลายเมื่อตอนค่าก็คือว่าจะทําการต่อสู้ใดๆก็ต่อเมื่อได้รับคําสั่งเท่านั้นแม้สุรเสีณาเองก็ไม่ทราบความข้อนี้ว่าท่านบิดาประสงค์อย่างไร

มัชชิมยามแห่งราตรีจวนจะก้าวล่วงไปแล้วในขณะที่ชาวเกวียนทั้งหลายผู้เตรียมตัวอยู่อันความง่วงครอบงำบางคนเลิมหลับไปบ้างนั้นก็มีเสียงกิ่งไม้คว้างลงมาจากข้าคบเป็นสัญญาณของคนระวังภัยว่าได้เห็นหมู่โจรเข้ามาในทางแล้วไม่นานนักเสียงฝีเท้ามา้าก็ค่อยดังขึ้นใกล้เข้ามาโดยลาดับผู้เฝ้าต้นทาง

ได้บอกต่อๆกันมาจนถึงทนิยะว่าโจรที่ขี่ม้ามีประมาณทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าห0สิบคนพอถึงปากทางที่จะเข้าไปสู่หมู่เกวียนพวกโจรทั้งหลายก็หยุดรีรอและระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังครั้นแล้วตัวนายโจรก็ขับนำบริวารกลุ่มใหญ่ตรงเข้ามาในขณะที่ยังห่างไม้กีดขวางนั้นทนิยะก็ร้องไปแต่ไกลว่า

ดูก่อนโจรทั้งหลายเชิญท่านเข้ามาตามความพอใจเถิดอย่าได้รีรอเลยเราได้คอยต้อนรับเชื้อเชิญท่านทั้งด้วยความเป็นมิตรและเป็นศัตรูอยู่นานแล้วพวกโจรพากันชะงักมีคาดคิดว่าจะได้สดับสุรนาตวาจาดังนั้นเพราะพวกตนเข้าใจว่าได้ซ่อนเร้นมาไม่ให้หมู่เวนทันรู้ตัวในขณะที่ยืนม้าหลังเลอยู่นั้นทนิยะก็ร้อง

สำทับออกมาอีกว่าดูก่อนโจรทั้งหลายบัดนี้ท่านจงระวังตัวเถิดเราจะต้อนรับท่านเพียงให้รู้ว่ายังไม่ต้องการทําอันตรายแม้แต่โลหิตสักหยาดหนึ่งของท่านครั้นแล้วทนิยะก็ออกคําสั่งแจกชาวแม่นธนูทั้งหลายว่าพอเจ้าทั้งหลายเอ๋ยจงเล็งยิงให้ถูกเพียงผ้าโพกของพวกโจรเหล่านั้นพอขาดคําสั่งพวกโจรทั้งหลาย

ก็รู้สึกว่ามีธนูแล่นมาปักที่ผ้าโพกของตนอย่างแรงเกือบทั่วกันเป็นเหตุให้เกิดโกลาหนตื่นตกใจยิ่งนักทนิยะได้ร้องกล่าวออกไปอีกว่าเราขอเชิญ น, นายโจรให้ขับมา้านำพวกเข้ามาเถิดถ้าท่านปรารถนาสินค้าในเกวียนเหล่านี้นายโจรได้ยินดังนั้นก็มีทั้งความตกใจกลัวและมีความละอายแต่ด้วยอานาจแห่งมานะ

จึงฝืนร้องบอกแก่พวกของตนว่าขอพระดอนทั้งหลายจงฟังเราแม้ศัตรูจะเตรียมพร้อมแล้วเพื่อต่อสู้แต่เราก็เคยแสดงความเป็นผู้กล้าหาญไม่กลัวตายมาแล้วม่ใช่ครั้งเดียวท่านทั้งหลายจงควบม้าต่อไปข้างหน้าเถิดว่าแล้วก็เตรียมม้าเพ่นเข้าไปอย่างรวดเร็วก่อนที่โจรทั้งหลายซึ่งอยู่เบื้องหลังจะตามมาก็ปรากฏว่า

ม้าของนายโจนและบริวารรองลงมาประมาณ8ดมา้าได้ประทะเครื่องกีดขวางอย่างแรงล้มกลิ้งตัวนายโจนและบริวารกระเด็นไปคนละทิศละทางชาวขับเกวียนที่ซุ่มซ่อนอยู่ก็กรูออกมาจับตัวไว้ได้สิน้นพวกโจนที่เหลือเห็นนายถูกจับก็ตกใจทําท่าจะหนีแต่ทนิยะได้ร้องสำทัพให้หวางอาวุธเสียโดยดีมิฉนั้นจะสั่งชาวแมนทนูให้สังหาร

ไม่ให้เหลือสักคนเดียวลำดับนั้นติมพรุก็พาผลมะของธนิยะซึ่งไม่ค่อยปรากฏจำนวนแน่นอนมาแต่ก่อนดากันเข้ามาปิดปากทางออกไว้อย่างมากมายโจรทั้งหลายเห็นไม่มีทางสู้ก็ยอมวางอาวุธให้จับแต่โดยดีเมื่อจับโจรได้หมดแล้วธนิยะก็สั่งให้ก่อไฟชดช่วงมองเห็นสิ่งทั้งปวงได้ถนัดบรรดาโจรที่จับมันไว้ทั้งสิ้น

เมื่อนับรวมกันทั้งนายโจรมี67เจดคนแต่พวกชาวเกวียนนั้นมีจำนวนมากกว่าโจรหลายเท่าท่านิยะจึงถามนายโจรว่าดูก่อนนายโจรเหตุฉะไหนพวกท่านมีเพียงเท่านี้

จึงอาจมาปล้นหมูกเกวียนของเรานายโจรตอบว่าข้าแต่นายข้าพระเจ้าคิดว่าคนหลับแม้จะมีจำนวนสักสองร้อยพวกข้าพเจ้าเพียงเท่านี้ก็อาจอยู่เพื่อจะปล้นนำสินค้าไปได้เพราะเป็นเวลากลางดึกพวกท่านคงตกใจและคเนไม่ถูกว่าพวกข้าพระเจ้าจะมีมากน้อยเท่าไหร่บางทีเพียงขู่ก็สาเร็จดูก่อนนายโจร

ท่านนึกหรือว่าข้าพเจ้าคุมเกวียนหมูใหญ่มาอย่างนี้จะตั้งอยู่ในความประมาทให้ท่านเข้าปล้นได้ตามความพอใจข้าแต่นายข้าพเจ้าเคยปล้นพ่อค้าเกวียนในระหว่างทางที่จะไปสู่แคว้นอังคะได้ผลมาแล้วและยังได้เคยปล้นในที่อื่นอีกด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเข้าปล้นท่านดูก่อนนายโจรบัดนี้ข้าพเจ้าจับพวกท่านได้แล้วท่านจะเห็นอย่างไร

คือข้าพเจ้าจากส่งตัวพวกท่านแก่ราชบุรุษผู้รักษาพระนครราชครุในเมื่อเดินทางไปถึงพระนครนั้นนายโจรมีหน้าสลุดยกมือที่ถูกพันธนาการขึ้นเหนือกระหม่อมร้องขอว่าข้าแต่นายถ้าท่านจากส่งพวกข้าพเจ้าแก่ราชบุรุษนครราชครุแล้วข้าพเจ้าพอใจที่จะตายด้วยมือของท่านเพราะราชบุรุษเหล่านั้น

จักไม่ให้ข้าพเจ้าได้ตายโดยง่ายจักโกนศีรษะจองจำด้วยเครื่องพัฒนาการมีคอเป็นที่ห้าพรางโบยด้วยแสพาตระเวนไปทั่วพระนครแล้วตัดมือตัดเท้าและให้อดอาหารเป็นต้นจนกว่าจะตายดูก่อนนายโจรพวกท่านรู้จักกลัวความทุกข์วาดวันต่อภัยอันเกิดแก่ตนเหตุชนะไหน

ท่านจึงเบียดเบียนก่อทุกข์ให้ใจบุคคลอื่นมหาชนหาเลี้ยงชีวิตได้ความเหนื่อยยากแต่พวกท่านกลับมาทำมหาชนเหล่านั้นให้มีหน้านองด้วยน้ำตาและบางคนก็ถึงกับบาดเจ็บสิ้นชีวิตดูก่อนนายโจรถ้าเป็นสมัยอื่นพวกท่านทั้งปวงจกตายโดยลูกธนูก่อนแต่การถูกจับครัพระเจ้าเป็นนายกองเกวียนมาแต่หนุม่มเคยต่อสู้

และค่าโจรมาแล้วหลายครั้งบัดนี้ท่านจงเลือกเอาเถิดท่านจะเลิกเป็นโจรจนตลอดชีวิตหรือว่าจะยอมตายข้าแต่นายข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงจกเลิกเป็นโจรข้าพเจ้าจะเชื่อท่านได้อย่างไรเพราะท่านมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะข้าแต่นายถ้าท่านต้องการคำสบถข้าพเจ้าก็จะกล่าวแม้คาสบถ

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วแม้คําสบถก็จะเป็นประโยชน์อะไรให้ท่านเห็นความสําคัญในสจจวาจาของข้าพเจ้าได้ข้าแต่นายมีคําอื่นอีกอันข้าพเจ้าพึงกล่าวคือโจนทั้งหลายแม้เป็นผู้พอใจในการได้มาซึ่งทรัพย์ของบุคคลอื่นแต่เมื่อได้รับอุปการะจากผู้ใดแล้วก็สํานึกอยู่ในอุปการะและปรารถนาความเจริญแก่ผู้นั้น

ไม่เบียดเบียนในภายหลังสัตว์จะเห็นปาณนน้พอจะหาได้อยู่ในโจรทั้งหลายเช่นกับด้วยข้าพเจ้าการที่ท่านมีเมตตาจิตไม่ประรุษร้ายข้าพเจ้าผู้อันท่านควรประรุษร้ายได้ในวาระแรกแม้เมื่อจับได้แล้วท่านก็ยังมีความเอ็นดูปรารถนาเห็นข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ละเลิกความเป็นโจรจึงไว้ชีวิตในบัดนี้ข้าพเจ้า

ยังไม่เคยได้เห็นได้ยินมาแต่การก่อนว่ามีใครตั้งอยู่ในกาฤยธรรมมีอย่างนี้เป็นรูปพวกข้าพเจ้ารู้อุปการรักของท่านจักตั้งท่านไว้ในฐานะแห่งบิดาจักฟังโอวาทและจักปฏิบัติตามดูก่อนนายโจร

มีคำคำใดอื่นอีกอันท่านพึงกล่าวเพื่อข้าพเจ้าวางใจได้ว่าท่านจะเลือกความเป็นโจรได้โดยแท้จริงข้าแต่นายบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถ้อยคำซึ่งโจรทั้งหลายถือว่ามีค่าเสมอด้วยชีวิตข้าพเจ้านามว่าปุณณทัตต์บุตรแห่งพ่อค้าวายใกล้โกลิตคามมนดาบิดา

กับทั้งบุตรพระยาของข้าพเจ้ายัางอยู่ณที่นั้นท่านย่อมรู้ไม่ใช่หรือว่าชนเหล่าใดเป็นญ า, าติสาโลหิตของโจรพระราชาย่อมให้จับชนเหล่านั้นเพื่อประกันให้โจรยอมเข้าให้จับแต่โดยดีแม้โจรจะเข้าหาหรือไม่ก็ตามพระราชาย่อมเป็นผู้มีอิสระในการสั่งปล่อยสั่งจองจําหรือแม้ประหารญ า, าติสาโลหิตของโจรเหล่านั้น

จนทั้งหลายจึงปกปิดมิให้ใครรู้จากบ้านเดิมของตนกับทั้งบิดรมารดาญาติสาโลหิตเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของคนเหล่านั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้แจ้งนามและบ้านของตนกับทั้งมารดาบิดาให้ท่านทราบแล้วข้าพเจ้าจึงเป็นเสมือนหนึ่งได้นําชีวิตของตนกับทั้งบุตรภรยายญาติสาโลหิตมามอบไว้ในมือของท่านถ้าท่านได้ทราบ

ในการใดว่าข้าพเจ้ายัางเป็นโจรอยู่ท่านก็จงบอกความข้อนี้แก่ราชบุรุษเพื่อให้จับคนเหล่านั้นเป็นประกันเธอและเพื่อพิสูจน์ความจริงท่านจะส่งคนไปสืบดูที่บ้านข้าพเจ้าก็ได้ส่วนโจรผู้เป็นบริวารเหล่านี้ถ้าท่านต้องการทราบนามและบ้านเรือนข้าพเจ้าจากบอกเองหรือให้บอกโดยความเป็นจริงทุกประการ

ดูก่อนนายโจรวาจาของท่านพอเป็นที่ตั้งเห็นความเชื่อได้อยู่บัดนี้ข้าพระเจ้าจะบอกแก่ท่านการที่ท่านได้ชีวิตนี้อันใดท่านผึงทราบเถิดว่าข้อนั้นท่านยอมได้เพราะอาศัยพระสมณโคดมผู้อรันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสดาของเราชาวขับเขวียนทั้งหลายกับทั้งมหาชน

ในชนบทรัชธานีเป็นอันมากพระองค์ทรงสั่งสอนให้ละเว้นการเบียดเบียนกันและกันให้ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์กันให้มีเมตตาในมนุษย์และสัตว์ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงงดเว้นการทำลายชีวิตผู้อื่นแม้ที่เป็นศัตรูแต่ก็พยายามตั้งอยู่ในความไม่ประมาทป้องกันตน

และภาคเพียนเพื่อให้คนชั่วกลับและเลิกความชั่วตั้งอยู่ในความดีตามหลักธรรมของพระาศาสดาท่านได้กล่าวไว้แล้วว่าโจรทั้งหลายแม้จะเลวสามก็ยังรู้จักสํานึกในคุณของผู้มีอุปการะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ชีวิตเพราะพระาศาสดาพระองค์นั้นท่านก็พึงตั้งอยู่ในกตัญญูกะตะเวทิตา้วยการตั้งมั่นในคาสั่งสอนของพระองค์

ท่านก็จะได้ทั้งชีวิตทั้งความสุขอันเกิดจากการกลับตัวดูก่อนนายโจรและบริวารพวกท่านจากสำคัญวาจาของรพระพเจ้านี้เป็นชไฉนโจรทั้งหลายก็ยกมือสาธุการบ้างก็มิสามารถอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เพราะความดีใจในชีวิตตรลาบทนิย่าจึงกล่าวว่าดูก่อนโจรและบริวารท่านทั้งหลายจากอาจ

หรือเพื่อตั้งอยู่ในสระนคมคือการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์กับทั้งพระสงฆ์สาวกว่าเป็นสรณะและตั้งอยู่ในศีลห้าคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักช่อเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเว้นจากการพูดปลดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยในโจรทั้งหลายเหล่านั้นนายโจรและบริวารส่วนมาก

ได้ประกาศว่าจะตั้งอยู่ในสรนคมและศีลได้แต่ยังมีบริวารอีกหลายคนแสดงความไม่แน่ใจว่าจากเล่าเว้นได้จากการดื่มสุรามีไรทนิยะจึงกล่าวว่าท่านจากรักชีวิตหรือสุรามีไรถ้าท่านรักชีวิตบัดนี้ท่านได้ชีวิตมาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเหตุไรท่านจะบูชาพระคุณของพระองค์ด้วยสิ่งเล็กน้อยนี้ไม่ได้

การดื่มสุรามีไรนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทท่านอาจทำชัว่วทั้งสีข้อข้างต้นได้เพราะเหตุแห่งสุราและมีไรดูก่อนโจรทั้งหลายท่านจงประกาศสัจวาจานี้ให้แจ้งชัดเถิดเมื่อโจรทั้งหลาย

ยอมประกาศสัจวาจาเพื่อเว้นแม้จากการดื่มสุราและเมรยัยแล้วทนิยะก็สั่งให้แก้มัดโจรเหล่านั้นตนเองทำผ้าห่มเฉวียงบานั่งกระยงประคองอัญชลีหันหน้าไปสู่ทิศอุดรแล้วบอกให้เปล่งวาจาตามด้วยคำว่าดูก่อนสัตรบุรุษทั้งหลายท่านจงหันไปสู่ทิศอุดรพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย

ประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีอันตั้งอยู่ในทิศนั้นท่านจงเปล่งวาจาตามที่ข้าพระเจ้าจะกล่าว น, นําณบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ชีวิตและได้กลับเป็นสาธุชนเพราะอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตอันหนึ่ง

ศีลเหล่าใดห้าประการคือการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักช่อเว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดปดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันพระศาสดาทรงบัญญัติไว้เพื่อสาธุชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งอยู่ในศีลทั้งห้านั้นตลอดการเพียงไรแห่งชีวิตสัจวาจามีอยู่ในโลกนี้

ข้าพเจ้าได้ชีวิตเพราะอนุภาพแห่งสัจวาจาใดข้าพเจ้าจักรักษาสัจวาจานั้นคือการยืนยันความเป็นผู้ตั้งอยู่ในสรนคมและศีลห้าตลอดไปรุ่งขึ้นธนิยะในเคลื่อนขบวนกเกวียนต่อไป

จนถึงหมู่บ้านวังคันตะและได้ปล่อยให้โจรทั้งหลายแยกย้ายกลับไปสู่ที่อยู่แห่งตนคงริบไว้แต่อาวุธและม้าเพื่อจะห้ามเสียซึ่งจุรกรรมในการข้างหน้านายโจรได้เป็นผู้จัดให้มีการบอกนามและเคียร์สถานแก่โจรเหล่านั้นติมพรุผู้รู้อักษรสมัยดีได้จดจารึกไว้โดยลำดับโจรทั้งหลายก็กราบกล่าวคาอาลา

แยกแย้ายกันไปด้วยความยินดี